ร่างกายทำงานไปก่อนที่สมองจะทันสั่งมันมาจากสัญชาตญาณหลีกหลบภัยมากกว่าสติบังคับหรือโดยเจตนาตั้งใจใดๆทั้งสิ้น อดีตท่านทูตทหารบกพุ่งเหล้าสุดแรงเกิดขนาดกับพื้นไปเบื้องหน้าพ้นจากตำแหน่งที่ยืนอยู่ทันทีที่รู้สึกว่าอกกระแทกดินก็ปรากฏเสียงโฮกสนั่นวันไหวอนุภาพแห่งคำรนเสียงนั้นแทบทำให้ประสาททั้งมวลขาดสายโยงออกจากกาันพร้อมกับร่างขนาดม้าลูกผสมซึ่งเป็นสีดำปลอดก็กระโจนพวดถากแผ่นหลังของเขาได้ยินเสียงลมอันเกิดจากน้ำหนักตัวพัดผ่านศรีรษะอย่างถนัด อุ้งเล็บของตีนมะฮูมาคู่นั้นและกรงเขี้ยวตะปบขย่ำลงไปบนแผ่นดินที่ร่างกายของเขายืนอยู่เมื่อพริบตาที่แล้วฝุนฟุงฟ้งตลบแผ่นดินสะเทือนเฮือก mm. เขาพลิกสะบัดเวียงตัวเองด้วยกําลังเท่าที่จะมีอยู่ทั้งหมดเพื่อย้ายตําแหน่งตัวเองให้เร็วที่สุดอีกครั้งโลกทั้งโลกหมุนคว้างไปหมด ทันทีที่มันรู้แน่ว่าตะปบเหยื่อผิดไอ้โครงดำไม่ได้แวงกลับแต่เพ่นกระโจนไปเบื้องหน้าและท่ามกลางความอลมหมานของคณะทั้งหมดที่หันมาเห็นเหตุการณ์นี้ชัยยันเป็นบุคคลแรกที่มองเห็นภาพนั้นอย่างถนัดตาเพราะอยู่ใกล้ชิดกว่าทุกค น, ขนเขาพาดเดลเฟอร์ที่กำลังแบกอยู่ลงพร้อมกับเหนียวพร้อมกันออกไปทั้งสองกาย จุดหกนยในโตระเบิดขึ้นเป็นเสียงเดียวราวกับปืนใหญ่รถถังแล้วคนยิงก็ตีลังกาพิกท้องปืนกระเด็นหลุดจากมือไปทางหนึ่งกระสุนขนาด900้ยเกินทั้งสองนัดตัดพงถาวันและต้นไม้ขนาดท่อนแขนขาดวินาศหักพับล้มละเนีดักเป็นทิวไปมันลอดช่องท้องของเสือใหญ่ยักษ์ตัวนั้นไปหางฝ่ามือเดียวอํานาจแรงอัดของกระสุนทําให้มันส่วนเ ตัวเสียจังหวะกลางอากาศถล่มลงมากลิ้งอยู่บนพุ่มเถาวัลย์ด้วยอาการช็อกชั่วไม่ถึงก้านใจดารินเวียมปืนจากไหลแต่สายสะพายติด ก, กระติกน้ำมาเรีย ก, กวาจุดสามดของหล่อนแล้วใครคนหนึ่งในจำนวนพวกพานพื้นเมืองก็รวนเรกระเจิดกระเจิงพะงะเข้ามาประทะทำให้พลอยเสียจังหวะรับพินประทับจุดขึ้นแล้วเขาก็ร้องสบดลั่นออกมาไม่เป็นภาษา พราะบางติดแผ่นหลังของขยินช่วงระยะเวลาอันแสนสั้นนี้ทั้งคณะเต็มไปด้วยความฉุกระหุกตังต้งตัวไม่ทันไอด้ดำมหาการพงาดพูดพลาดขึ้นมาได้อีกครั้งพร้อมกับกำปนาเสียงดังสะเทือนดงและประเด็นจะมีอะไรคอยบงการให้มันตระหนักได้ดีว่าการเพ่นนี้อย่างรวดเร็วประการเดียวเท่านั้นที่จะทําให้มันรอดพ้นจากตืนผ่านใหญ่รพินไผ่วันได้บรรกาจนสุดพลังฤิธ ตรวจ ด, ดินและใบไม้แห้งอันเกิดจากปินหลังที่ยันตะกุยกระจายสวนเข้าใสคณะทั้งหมดราวกับใครเครื่องดินทั้งก ร, รมเข้าใส เชิดากระชากปืนสั้นออกจากซองข้างเอวและเฉพาะมันเป็นรีวอเวอร์จุดสีสีแมกนัมแบบซิงเกิลแอคชั่นเขาจึงช้าไปอีกนิดหนึ่งในสิบของวินาทีสำหรับโอกาสอันสำคัญยิ่งดังนั้นกระสุนที่เราเบิดกลกกล้องออกไปจึงหาเป้าหมายที่แน่นอนไม่ได้เสียแล้วมันห่างพวงหางอันยาวเหยียดที่กำลังพุ่งหนีเราจะหลดไปอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสามา จอมพานถีขยินคำมำไปเมืองหน้าแล้วโจรสุดฝีก้าวกวดไล่ตามหลังในขณะที่บุญคำมาเรียและจันก็ทยายาออกจากที่ด้วยความหมายเดียวกันท่ามกลางเสียงโวยวายไม่ได้สัตว์และพินเป็นคนเดียวที่ประทับปืนค้างเพราะหาเป้าหมายไม่ได้เสแล้วส่วนใครต่อใครอีกหลายคนที่กวดตามมาติดติเบื้องหลังสารประสานกันเป็นประทัดแตกไล่หลังใบเกีงไม้เถาวันและเนินดินกระจายว่อนดูดับไปด้วยเสียงปืน ใครคนหนึ่งออกล่นลำหน้าจะกวาดตามไปอย่างดุเดือดเอาเป็นเอาตายแต่เราผิงคว้าคอกระชากกลับยาไม่มีประโยชน์มันไปแล้วเขาตะโขนบุคคลผู้นั้นก็คือบุญคําบัด น, นี้กายแก่สั่นเทิมราวกับเจ้าเข้าลืมตาโพงมื อ, อยังกระชับตื่นแน่น อุดใจเต็มๆที่พานใหญ่ยืนนิ่งอยู่กับที่จ้องตามทิศทางที่เสือใหญ่ตัวนั้นกระโจนป่าล่าไปแล้วแล้วหันกลับมามองพักพวกคนอื่นๆที่กําลังกู้เข้าไปช่วยชุดประคองเชิดฐานขึ้นมาเรียบร้อยหรือเปล่าครับคุณชายหัวหน้าคณะหัวรเราเกร้าวตายังจับนิ่งเปอยองทิศทางที่เสือมแมลงผู้ตัวนั้นพุ่งหายไปเรียบร้อยแล้วพวกคุณล่ะ ไม่มีใครเป็นอะไรเลยค่ะนอกจากพี่ใหญ่คนเดียวเท่านั้นมันไปยังไงมายังไงกันค้าหนี้พวกเราไม่ทันเห็นกันเลยน้องสาวถามหอบถีเร็วด้วยความตื่นเต้นเช้หายืนขบการามนิ่งอยู่อึดใจก็ยิ้มให้กับทุกคนที่ห้อมล้อมซักถามอยู่มันหมอบซุ่มอยู่บนยอดก้อนหินลูกนั้นรู้สึกว่าเจตนารอให้ขบวนพวกเราผ่านและดักเล่นงานคนสุดท้ายเข็ดดีที่เหงือขึ้นไปพบซะ ก, ก่อนโดยหลบไปได้อย่างบุดวิดมันก็โจรสวนลงมา มันกระทันหันและรวดเร็วเหลือเกินทวให้พวกเรายิงไม่ทันขยิ่เจ้ากรรมก็เข้ามาบังทางปืนผมซะอีกผมนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะกล้าดักเล่นงานเราซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้แล้วฉลาดมีเล่เหลี่ยมผิดวิสัยสัตว์เดรจฉานทั่วๆไปพอตะคุบคุณชายผิดก็แผ่นหนีทันทีผานใหญ่กล่าวย่างเดือดแค้นเจ็บปวดใจเหลือที่จะกล่าวมาเรียก็โผลออกมาดังเอ็ดว่า ฉันก็เหมือนกันถ้าไม่ใจพรอเจ้าสตา่งปลาขี้รีนี่ถอยหลังมาชนฉันยิงมันได้แล้วเจ็บใจเหลือเกินมันน่าจะถูกลูกตืนของชายยันเข้าบ้างนะพอเห็นลงไปนอนกลิ้งอยู่กับพื้นชายยันสัส่นศีรษะสะบดพลูไม่ถูกหรอกไม่ทันเลงเลยได้ยินเสียงโห่พอหันกลับมาก็กดตูมออกไปทั้งสองลำกล้องด้วยความตกใจรู้สึกว่าจะถากใต้ท้องมันไปแรงอัดของกระสุนทําให้มันช็อกไปชั่วขณะเท่านั้น แล้วก็หันมายิ้มเข้มๆกับสหายของเขาจับแขนบีบไว้นั่นเก่งมากเชิดท้าที่เอาตัวรอดได้เมื่อตกี้เส้นย่าแดงผ่าแปทีเดียวถ้าเป็นชั้นป่านนี้ขอม่องเล็กไปแล้วพวกเราเห็นมันถนัดตากันหมดทุกคนแล้วไม่ใช่หรือครับเสียงพานใหญ่ถามขึ้นแผล บ, บเห็นแล้วเห็นอย่างถนัดที่สุดขนาดไอ้กุ๊ดกลกกายเป็นแมวไปเลยถ้าเทียบกับไอ้เสือแมลงผู้ตัวนี้หรือยังไงน้อยชา ย, ยันหันไปถามเพื่อนสาวดารินพูดอะไรไม่ออกได้ แ, แต่ยืนหน้าขาวเป็นกระดาษ มาเรียตงเข้าไปดูรอยที่มันตะปบขย่ำไว้กับพื้นแล้วทำหน้าเบ้หลีตาลงอย่างสลัดหลงใจพวกผานพื้นเมืองทั้งหลายก็ไม่มีใครเอ่ยปากคำใดออกมาเดินหน้าซี่กันไปหมดทุกคนมีข้อควรสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคุณรู้สึกบ้างไหมหัวหน้าคณะกระซิบกับผานใหญ่มีอะไรหรอครับมันจะเลือกเล่นงานข บ, บวนของเราตอนที่ห่างจากคุณที่สุดคุณเดินอยู่ข้างหน้ามันเรื่องซะ เจ้ก ต, ตะคุบผมหรือใครก็ตามที่ห่างไกลจากคุณออกไปเพราะฉะนั้นขอให้รู้ไว้เถิดว่าถ้าคุณลงมาคุมอยู่หลังขบวนมันจะต้องโจมตีหน้าขบวนแน่ๆแป่ว่ามันรู้อยู่ตลอดเวลาด้านไหนเป็นจุดอ่อนของคณะเรามันอาจไม่มีแผนฉลาดลึกถึงขนาดนั้นก็ได้ครับเพราะว่ามันจะกลัวผมก็ไม่เชิงนะขนาดผมเองมันก็ยังย่องสะกดตามหลังอย่างเมื่อวานนี้ แต่คุณก็รู้ถึงการย่องตามของมันและเตรียมรับมือมันอยู่เมื่อวานนี้อาจทําทให้มันสํานึกก็ได้ว่าการที่จะหมายเล่นงานคุณไม่ใช่ของง่ายนะเลยหันมาเลือกคนอื่นแทนรัพินกระดกลิ้นออกมาเรียริมฝีปากอันแห้งผากมองดูปารอบด้านอย่างหนักใจถ้างั้นจะเอาอยัางไงกันดีครับปากข้างหน้าที่เราจะผ่านไปมันยิ่งรบกทึบขึ้นทุกทีชัยภูมิเป็นความได้เปรียบของมันถ้ามันแล่นจู่โจมอย่างตะกี้อีกจะลําบากนั่นสิไม่ต้องทําอย่างอื่นหรอก เพียงแค่รอดักขย้มพวกเราทีละคนแล้วเพ่นหนีไปก่อนที่เราจะยิงมันทันก็มีหวังแยกกันหมดถูกเที่ยวหรือเล็บมันทีเท่านั้นเป็นเสร็จอดีตนายทหารปืนใหญ่พูดอย่างวิตก แยกกันคอยคุมพวกลูกหาบไว้เพิ่มความระมัดระวังขึ้นอีกฉันจะอยู่คุมท้ายกระบวนตามเดิมเองเชษฐาสั่งผานใหญ่ลังเลอยู่ครู่แต่แล้วก็มองไม่เห็นทางเลือกอื่นสำหรับคณะนายจ้างทั้งหมดแล้วเขาก็มองไม่เห็นว่าใครควรแกการไว้วางใจยิ่งไปกว่าเชฐฐาในขณะที่ตนเองมีภาระที่จะต้องเดินนาไปเบื้องหน้าพร้อมกับขยิม การเดินในระยะต่อไปยกเว้นจากพวกแบกหามทุกคนปลดไรเฟริลจากไหลลงมาถือกระชับไว้ในมือจ้องพานคงสื่อเท้าตามหลังคู่ของขยินและบุญคําอยู่ในลันกษณะเดิมระวังภัยเฉพาะในรัศมีเบื้องหน้าชายยันคุมคูบของสางตากับจันทร์ส่วน2หญิงอารักขาเกิดกับเสยปิดท้ายด้วยหัวหน้าคณะซึ่งทุกคนตระหนักดีว่าเสี่ยงอันตรายมากที่สุดเพราะเดินหน้าแต่ต้องระวังหลังไปพร้อมกันต่างช่วยกันใช้สายตาสอดส่ายระแวดระวังไปทุกสี่ก้า เือโคร่งดําตัวนั้นหรือเปล่าที่เป็นต้นเหตุให้ไอ้ผีตายซ่าพันปีอันตรธานหายตายบัดนี้จะ ก, กิจใจของทุกคนแต่ก็ไม่มีใครปิดปากเอ่ยกับใครเมื่อเต็มไปด้วยการเตรียมพร้อมที่จะรับมือทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบเชียบสงบราบคาบไม่มีวิแววกระตุกตะกะใดๆทั้งสิ้นแม่ละ่ะภายร้ายจะจู่โจมก็ในยามเผอเท่านั้นการโจมตีครั้งแรกของมันล้มเหลวลงอาจเติมแผนใหม่ซึ่งจะมาเมื่อไรอย่างไรก็สุดที่จะคณีได้ และบัดนี้เบื้องหน้าเป็นเชิงพาเต็มไปด้วยก้อนหินใหญ่น้อยและเห็นจากป่าเถาวันที่บางโปร่งอยู่ ต้นกระดาษเฟิร์นและพันไม้ใกล้น้ำหลายชนิดแลเห็นเขียวเป็นทิวอยู่นั่นห่างออกไปไม่ไกลนักหนทางที่ทอดคดเคียวเข้าไปยังเชิงผาแห่งนั้นราบเรียบมันน่าจะเป็นด่านสัตว์ที่อาศัยเดินอยู่เป็นประจำซึ่งผิดไปกับสภาพพื้นดินทั่วๆไปของโดงแถบนี้เพราะไม่เคยปรากฏพบเห็นทางด่านมาก่อนตลอดระยะที่บุก ป, ปันกันมาหลายชั่วโมงรพียงมีสีหน้าฉงนทุกคนเห็นเขาก้มลงตรว อย่างถี่ถ้วนพิจารณาแล้วอยู่ในอาการงงขคยินพอมองเห็นทางเช่นนั้นก็แสดงความยินดีตื่นเต้นอีกครั้งหากนำหน้าชุดบุญนคำให้เลี้วรุดเข้าไปโดยเร็วพบด่านแล้วไม่ใช่หรือชัยยันตามมาทานกระซิบถามยังสงสัยครับมันจะเป็นด่านสัตว์หรือเปล่าก็ไม่รู้ทางเรียบโล่งก็จริงแต่คนไม่พบร่องรอยสัตว์ชนิดใดเลยทั้งสิ้นอาจเป็นด่านเก่าที่สัตว์มันเลิกเดินแล้วก็ได้จอมพานไม่ตอบแววตาเต็มไปด้วยความคลางแคลงกังขาลึก เลื่งฝีเท้าตามขย้หินที่่วงหน้าไปก่อนประมาณ15ห้าหลาคนทางอันเลี้ยวรถนั้นนําผ่านเข้าไปยังสายเทวันที่ห้อยย้อยจากเบื้องบนลงมาเป็นสายระยางราวกับสยย้อยซึ่งกั้นเป็นม่านบางตัทางอยู่และดูประหลาดรอบด้านมีสกัดกั้นอยู่ริมทางเบื้องหน้านั้นเป็นลำต้นของต้นไม้ขนาดสองคนโอบซึ่งมีน้ําแหลมยาวใหญ่ราวกับต้นงิ้วโผลออกมารอบลําตัวยืนเตรียงรายกันอยู่เป็นระยะ เส้นเถาวัลย์หรือสายระยางที่ห้อยเป็นม่านอยู่เหล่านี้ปกคลุมไปทั่วบางเส้นยาวลงมาระพื้นดินและบางเส้นก็ห้อยอยู่สูงๆต่ำตำ่จะเป็นเถาวัลย์ที่อาศัยขึ้นอยู่กับต้นไม้มีหนามแหลมเท่านั้นแล้วทอดลำลงมาหรือจะเป็นรากย้อยของต้นหนามอันมีลักษณะพิกล น, นั้น รับพินก็ยังไม่มีโอกาสที่จะสังเกตเห็นได้ถนัดและก็ไม่มีใครในคณะเฉลียวใจใดๆทั้งสิ้นต่างเคลื่นเข้าใกล้มาเป็นลําดับเมื่อเดินผ่าสายเถาวันที่ทอดห้อยเป็นม่านทะลุออกไปยังเชิงผาที่เห็นอยู่ชายยันเร่งปีเท้ากระชันชิดติด ต, ตามจอมผ่านมาเบื้องหลังขณะที่คนอื่นๆก็เข้ามาจับรวมกลุ่มเพราะหนทางเดินสะดุก ข, ขึ้นประมาณ1 5บหก้าวห่างจากม่านเถาวันรับพินก็หยุชดชะงักกึกด้วยความเอกใจบางสิ่งบางอยา่าง ขณะนั้นลมสงบที่สุดแต่มา่านเผาวันเบื้องหน้าบริเวณที่ขยินกับบุญคำกำลังจะเคลื่อนผ่านเข้าไปไหวกระดิกอยู่น้อยๆเขาเบิกตาจ้องทีแรกนึกว่าตาผ้าแลเห็นไปเองแต่แล้วก็ใจหายว่าเย็นไปหมดจากเส้นผมถึงปลายเท้าเมื่อจับได้ชัดว่าการเคลื่อนไหวน้อยๆเหล่านั้นเป็นไปในลักษณะผิดธรรมชาติของลมพัดแต่มันเป็นการเคลื่อนไหวดุจสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกับหนวดตามหมึกขยินหยุดก่อน จอมพาลล้อนลั่นออกไปเสียงของเขาช้าไปซะแล้วขยินเดินอ้าว้าไปถึงบริเวณม่านถาวันเอามือปาดแหวกออกพิกตานั่นเองทุกคนก็มองเห็นภาพพร้อมกันหมดด้วยหัวใจแทบจื่เต้นสิ่งที่มองเห็นในลักษณะถาวันในละแวกใกล้เคียงกับตัวขยินยักบุนคำม้วนตวัดอย่างรวดเร็วราวกับอาการ กระหวัดรัดของงูพิปตาเดียวมันมัดเอาแขนขาตลอดทั้งตัวของเจ้านักเลงโตหล่มช้างกับตาพานเท่าไว้อย่างหนาแน่นเกินกว่าที่จะทันรู้สึกตัวหรือหลบหลีกป้องกันทันแล้วชุดกระชากพยายามจะม้วนดึงคนทั้งสองรวมทั้งสัมภา ร, ระที่หาบอยู่ขึ้นไปสู่เบื้องสูงท่ามกลางเสียงล้อมแหลมกล้องของกระหินและบุญคารับผิดทิ้งรับผิดทิ้งไรเฟร์ลงในเซี่ยววินาทีนั้นกระชากมีดเตินปากพุ่งเข้าไปด้วยกําลั ง, ท, งทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนั้นขาของกระหินซึ่งอยู่เบื้อง กำลังลอยพ้นพื้นแต่ติดที่หีบสัมภาระและน้ําหนักตัวของบุญคำยังโถนอยู่เพราะเส้นเถาวัล ย, ย์มรตุยูยังมัดพันไม่ถนัดนัก mm. เขาก็ปะทะกับ2อสามเส้นที่ม้วนแกว่งเข้าใส่อย่างหน้าขยะขแยงกระนำฟันซ้ายฟันขวาขาตกลงกับพื้นกระโจนเข้าตัดเส้นที่กําลังมัดพันอิรุงตุงนางอยู่กับรอบกายของคนทั้งสองในขณะที่เส้นอื่นๆก็ตวัดเข้าเล่นงานเท่าที่รัศมีความยาวของมันจะทอดถึงช่วยกันเร็ว พรับพินตะโกนเสียงหลงทุกคนได้สติขึ้นมาอีกครั้งเพราะเสียงนั้นชายันรวมตัวเพ่นตามเข้ามาก็ถูกรวบเข้าอย่างถนัดถนีด้วยเส้นขนาดข้อมือ 3-4 สี่เส้นมัดตัดแต่อกลงไปถึงเอวยกลอยขึ้นเกิดจันเสยและสางปาทิ้งหา ก, กระชากมีดดาบเดินเข้าป่ามาช่วยกันฟาดฟันเป็นจั ก, กรพันเสียงเอะวอยวายดังแซดไปหมดพวกที่ถลำตัวเข้าไปชุดแรกดิ้นสะบัดไม่หลุดเพราะถูกลุมร้อมรอบด้าน พระพินเองยามนี้ก็เสียหลักเซตะแคงลงกับพื้น ขาข้างหนึ่งลอยอยู่บนอากาศจังหวะอันดิ้นรนสุดฤทธิ์นั่นเองสางปาก็ถาถมเข้าฟันเถาวันเส้นนั้นจนขาดสะบัน้นร่างของจอมพานหล่นลงมากิ้งอยู่กับพื้นพอเขากระโดดขึ้นยืนก็เห็นเจ้าพานต่องสูงหมุนคว้างเสียหลักเพราะอีก3ามเส้นลุมมัดแขนติดกับลําตัวดิ้นอยู่กระเดากระเดามาเรียแล่นเข้ามาอย่างลืมตายเพื่อช่วยเหลือคนของหล่อมที่ติดตามขายมรณะเข้าอีกคนถูกรัดที่โคนขาล้มกิ้งและหมุนฉุดลอยขึ้นไปจากพื้นราวกับใครชักรอก สาวร้องหวีดสุดเสียงพยายามดิ้นสะบัดกันที่แต่จะหลุดจากวงมัดอันแข็งแรงของเส้นถาวนขณะท่านแขนนั้นไม่เส้นเล็กเส้นน้อยอีกหลายเส้นก็ขมวดพันยุ่งเหยิงเติมเข้าไปอีกดาวรินภาวะพะวังขยับจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่เราก็ถูกเชิดถากระชากไหลไว้อย่าเข้าไปยิ่งเร็วยิ่งตัดเส้นมันสองพี่น้องเท่านั้นที่ขณะนี้อยู่พ้นรัศมีอันตรายและมองเห็นภาวะวิกฤตในลักษณะต่างๆของเพื่อนผู้ร่วมคณะทุกคน ตูมแรกเป็นไรเฟริลจุดของแช่ฐาเขาเล็งยิงไปยังเส้นใหญ่ที่กำลังกว้านร่างของมาเรียขึ้นทีละน้อยมันขาดพึงออกจากการในพิษตาส่วนปลายขาดที่ติดอยู่กับตอนบนหมุนตวัดหดขึ้นตปส่วนร่างที่มัดพันกายมาเรียทิ้งช่วงลงมาด้วยน้ำหนักตัวเส้นเล็กขนาดย่อมย่อมที่รุ ม, มัดอยู่ทานน้ำหนักไม่ได้ก็ปลอยถูกร่างของแม่มสาวท่วงคลายลงมาถึงพื้นจังหวะนี้เองดาวดินก็ระเบิดไรเฟริลของรอนออกไปทียิบเท่าที่กระสมจะอํานวย เป้าหมายสุดแต่ว่าหล่อนจะเห็นใครกำลังถูกมัดโยงตัวชักรอกขึ้นไปเช่ฐาก็ระดมประสานออกไปอีกแข่งกับความเป็นความตายชายันเป็นบุคคลที่สองซึ่งหล่นภาคลงมากระทบกับพื้นเพราะอำนาจลูกปืนของเชิฐาช่วยจัดเขาก้มลงคว้ามีดดาบของส่างตาขึ้นมากระโจนเข้าฉะสายที่กลุ้มลุ้ ม, ล, มละพินอยู่ฟันขาดด้วนย่อยยับลงมาหมด จอมพานดุดเป็นอิสระออกมาได้แล้วทั้งคู่ก็เพ็นเข้าไปช่วยแก้ไขขยินกับบุญคำด้วยมีดเตินป่าอันคมกริตลักษณะสถานการณ์ไม่ผิดอะไรกับตกหรือท่ามกลางหนวดตลาหมึกยักษ์ เชิถาปาดเข้ามาฉุดมาเรียนซึ่งนั่งพับเขีบอยู่กับพื้นพาวิ่งออกนอกรัศมีเขาส่งแหนมสาวพลนออกมาได้แต่ตัวเองถูกมัดติดข้อเท้าซ้ายขมาหน้าล้มใกล้เคียงกับบุญคําซึ่งคานสีเตีนแต่ผ่านเท่าผลเข้าตะคุบตัวในใหญ่ยื้ยุดฉุดรั้งเหนือตัวชักเทเยอเกิดก็เล่นเข้ามาถึงตัวฟันเต็มเหนียวขาดถึงลากเอาทั้งสองถูรูดถูกกลางออกได้อย่างบุดปิดท่ามกลางเส้นมารตยูที่แกว่งกไกวขมวดดิ่ม ไขคว้าควานหาเหยื่อดูพลาวันยุ่งยามไปหมดพอเส้นถาวรมหาปลายถูกฉะขาดวิ่นเบาบางลงในบริเวณนั้นรัพยินกับชายันก็เคลื่อนไหวตัวได้ถนัดขึ้นทั้งสองช่วยกันระดมฟันไปรอบด้านอย่างบ้าเลือดเดือดแค้นขยินทรงตัวขึ้นมาได้อีกคนก็ปัดเข้าไปช่วยกันเป็นพละวันร้องตะโกนสะบดดาสาบแช่งไปพางแล้วจันก็รอดพ้นจากมฤตยูได้อีกคนหนึ่งอย่างจวนเจียนเพราะถูกมัดคอซจนตาเหลือกหน้าเขียว เสด็จเป็นคนสุดท้ายที่โชคร้ายกว่าคนอื่นๆบัดนี้ร่างของพานหนุ่มถูกชักรอกลอยสูงขึ้นไปจากพื้นประมาณ10ฟุตกำลังดิ้นรนส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือไม่เป็นภาษาตาลีตาเหลือกมือข้างหนึ่งถือมีดกระนำํำฟันเส้นเทาวันนับสิษที่รุมมัดอยู่แล้วในที่สุดมือข้างนั้นก็หมดกำลังมีดหลุดตก และพิณกับชา ย, ยันกำดาบยืนแงน้มมองภาวะพผวงทำอะไรไม่ถูกจะ ก, กระโจนขึ้นช่วยตัดก็พละยะร่างของสวยถูกหิ้วสูงขึ้นไปทุกทีเสียงชา ย, ยันตะโกนร้องให้ช่วยกันตนเองก็เต้งอยู่กับที่อย่างทำอะไรไม่ถูกอีกหลายคนก็มว ย, ยืนตะลึงเช่ฐาหลุดพ้นออกมาได้ก็เหงื่ขึ้นไป รีบตาลีต า, ลตาเหลือบรรจุกระสุนไรเฟลิลของเขาโดยเร็วและพินก็เล่นทลามาที่จุด357ของมาเรียที่ตกอยู่ร้องลั่นกรอบช่องหูของดารินผู้ยืนตะลึงมองเฉยอยู่ช่วยกันยิงตัดเร็วเมื่อ น, นั้นเองหล่อนจึงได้สติขึ้นมาอีกครั้งประทับไรเฟลิลขึ้นแต่ก็ช้ากว่าพานใหญ่และพี่ชายซึ่งระเบิดกระสุนขึ้นพร้อมกันดังสนันหวั่นไหว สองเส้นใหญ่ในจำนวนนั้นถูกลูกปืนอันแรงลิ์เฉือนขาดปลิวออกจากกันทันทีแต่อีกหลายเส้นก็ยังมัดโยงอยู่ดารินก็เล็งตัดขาดออกไปอีกทีละเส้นด้วยฝีมืออันแม่นยำแข่งกับอาการที่ถูกชักรอกให้สูงขึ้นไปเป็นลำดับจังหวะนี้มาเรียช่วยได้าไรเฟริลของใครคนหนึ่งที่หล่นอยู่สอยเด็ดขั้วขึ้นไปอีกคน เป็นปืนสีกระบอกที่ผัดกันแผดเสียงถี่ยิบสถานดงเสียงเช่ถายิงพางร้องเตือนและล่ำาละลักไปพางให้ทุกคนระวังวิถีกระสุนอย่างที่สุดเพราะเกรงจะพาดไปถูกเสยเข้าร่างของพานหนุ่มบัด น, นี้ถูกแขวนห้อยร่องแร้งอยู่ด้วยแรงยึดของเทาวัน เพียงเส้นเดียวขณะเชือกมัดที่ลาเส้นึเขื่อนซึ่งพันอยู่ใต้รักแล้หลายต่อหลายนัดที่ประดังศาสตร์ขึ้นไปพลาดไปอย่างบุบหวิดเพราะความโดนลานรีบร้อนของคนหยิงดารินผู้ฉมังที่สุดในคณะก็ไม่สามารถจะเล็งได้ถนัดจากศูนย์กลางเวเทอร์บีของหล่อนเพราะเป้าหมายอันแหวไปอยู่ไปมาแต่แล้วชั่วพิบตาต่อมามันก็ขาดแหว่งกระจายไปครื่งเส้นด้วยฝีมือของมาเรียและยังไม่ทันจะซ้ําน้ําหนักตัวของเสยที่ถ่วงอยู่ทําให้หมดพลังมัดคลายวงรัดออกอย่างรวด เร็วร่างของพานหนุ่มหล่นบุบลงมาอย่างพื้นดินชา ย, ยันผู้คอยจังหวะอยู่แล้วรับไว้ทันก่อนที่จะกระทบพื้นคอหักลงกลิ้งลงด้วยกันไอ้ถาวมรณะมันยังไม่ยอมหมดลึกลงง่ายๆทั้งๆ ท, ท, ที่ลูกปืนของมาเรียเฉือนวิ่งเข้าไปครึ่งเส้นมันชันส่วนตายล่อนราเหมือนหัวงูหรือมิฉะนั้นก็งวงช้างพุ่งเข้าไปหาชา ย, ยันกับเสยอที่ยังกลิ้ ง, ลงขลุกขลักกันอยู่อย่างหน้าขยักขย้งชา ย, ยันพระหน้าหลบแล้ว แอนงายหลังไปกับพื้นเพื่อให้พ้นรัศมีไขว้คว้าด้วยอาการปกสันขวัญแขนขยินก็ปรี่เข้ามากะหน่ำฟันด้วยดาบสุดแดงเกิดเสียงฉับสนันเส้นของมันขาดด้วนปลายด้านล่างห ล, ล่นตกกับพื้นและส่วนที่เหลือก็พลิกตวัดกัดแกงเป็นเกลียวหดถอยกลูกขึ้นไปแล้วคณะก็ล่าถอยอย่างตะลีตะเหลือออกมาพ้นรัศมีสายใยมรุดตะยูโดยชายยันและขยินช่วยกันหามเสยผู้หมดสติแน่นิ่งพาวิ่งเข้ามารวมกับพรรคพวก ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนตกอยู่ในความฝันสยองยืนลืมตาโพงจ้องดูม่านเถาวันเหล่านั้นเหมือนจะเชื่อในเหตุการณ์ที่เระเชวรอยู่สดๆร้อนๆเสียไม่ได้ที่ถูกฟันขาดเกลื่อนกาดอยู่กับพื้นก็นิ่งสนิทเหมือนวัชพืช ท, ที่ถูกเด็ดขาดออกจากต้นส่วนที่ยังเป็นสายห้อยอยู่ก็เคลื่อนไหวกระดุกกระดิบช้าๆอยู่เรื่อยไปสังเกตเห็นได้ชัดซึ่งมันตรงข้ามกับอาการตวัดมัดอย่างรวดเร็วทันทีที่มนุษย์เข้าไปใกล้รัศมีหรือกระทบแตะต้องมันเข้า เฉพาะบริเวณที่กลุ่มนุษย์ถล่ตัวเข้าและเกิดพันตัวกันขึ้นเส้นเทวันหรือหนวดผีเหล่านั้นถูกตัดขาดโป่งโล่งออกไปส่วนหนึ่งเฉยไม่ได้รับอันตรายมากไปกว่าความตกใจจนเป็นลมหมดสติและรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งอย่างรวดเร็วเพียงแค่ช่วยกันเขย่าปุกได้นี่เฉยยังไม่ตายหรอกรื่อคแรกผ่านพื้นเมืองของลพินสารักออกมาไม่ต้องกลัวพวกเราไม่ตายกันง่ายๆหรอกเชิดาพูดอย่างปลอบใจ รัพยินภัยวันขณะ น, นี้ลงนั่งกอดเข่ากับพื้นแงนจ้องไปยังลักษณะของเส้นเถาวัลย์ประหลาดเหล่านั้นเขาเพิ่งสังเกตได้ชัดเดียวนี้เองว่าเส้นที่แลพัดผ่านว่าเป็นเถาวัลย์ก็คือสาขาส่วนประกอบของต้นน้ำที่ยืนต้นเรียงรายอยู่ลักษณะเหมือนรากใส ย, ย้อยนั่นเองดารินกับมาเร ย, ยังยืนตัวแข็งพูดอะไรไม่ออกอยู่เช่นนั้นผ่านพื้นเมืองทุกคนก็หน้าตาแทบไม่เหลือความเป็นคนอยู่ต่างได้รับความตกใจหวัน่นใจสยองใจสุดขีด มันเป็นอะไรกันแน่ผู้กองพืชหรือว่าสัตว์ท่ทามกลางความเงียบงนันหัวหน้าคณะถามขึ้นแหบผ้าในลําคอจอมผ่านคานเข้าไปที่ปลายเส้นมรดแตยูเส้นหนึง่งซึ่งถูกฟันขาดตกอยู่ใกล้ที่สุดใช้ปลายมีดเขี่ยเข้ามาพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนลักษณะของมันหยุนหยุนเหมือนยางมีปุ่ม ป, ม, ปมอยู่ทั่วปตลอดทั้งเส้นลักษณะเหมือนหนวดปลาหมึกไม่มีผิด เมื่อใช้มีดตัดแหวะเข้าไปดูภายในสภาพของมันดุจเดียวกับว่านหางจระเข้เยื่อหรือเซลล์เป็นสีแดงคล้ำมีเมื่อชุ่มคล้ายเยลลี่หรือวุ้นส่งกลิ่นเหม็นขื่นเหม็นเขียวจัดชวนอาเจียนทุกคนเข้ามามุงดูอย่างอาศจรรใจเหลือที่จะกล่าว มันเป็นกิ่งก้าของไอ้ต้นไม้นรกที่เราเห็นอยู่เนี่แหละครับทีแรกผมก็นึกว่าเถาวันธรรมดาผิดสังเกตเอาวินาทีสุดท้ายก่อนที่เคยินกับบุญคำจะเดินฝ่าเข้าไปเพราะเห็นมันเคลื่อนไหวกระดุบกระดิบได้พี่กนอยู่พอสองคนนั่นกระทบเข้าเท่านั้นมันก็มัดทันทีต้นไม้กินคนมาเรียอุทานออกมาแทบไม่มีเสียงเจ้างอย่างพ่านพึงไปยังเส้นหนวดที่ยังทอดย้อยเป็นม่านปกคลุมลงมายอยู่ทั่วไปทั้งหมดงานไปอีกชั่วขณะ มันจะกินเราโดวยวิธีไหนนี่ชัยยันพื้นควมออกมาขนลุกขนชันด้วยความสยดสยองสังเกตไหมครับมันมัดพันเราแล้วพยายามจะดึงรั้งขึ้นไปข้างบนพรานใหญ่พูดอย่างระมัดระวังกัดดึ็ปฝีตากแน่นการรัดของมันไม่ผิดอะไรกับงูเยื่ออาจจะตายก่อนเพราะอำนาจการรัดหรือไม่ฉะนั้นก็อาจจะปล่อยพิษให้ซึมเข้าผิวหนังโดวยวงเหล่านั้นแล้วคงใช้วิธีดูดเลือดอย่างปริงโดยอาศัยหลอดดูดจากปุ่มปน อันมีลักษณะคล้ายหนวดปลาหมึกนี้พอดูดเลือดหมดก็ปล่อยซากทิ้งมันเป็น2 อ, อย่างในขณะเดียวกันคือทั้งพืชและสัตว์ลําต้นที่ยืนติดอยู่กับพื้นคือลักษณะของต้นไม้อันเป็นพืชแต่งวงหรือรากที่เคลื่อนไหวจับสิ่งมีชีวิตกินได้เป็นลักษณะของสัตว์ร้ายไม่สามารถจะเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นอกจากรอคอยให้เหยื่อหลงทางผ่านเข้ามามันเป็นต้นไม้ผีนายเกิดมาบุญคำไม่เคยพบเห็นไม่เคยได้ยินใครเล่าให้ฟังต่นี่อาถรรพ์นักเราลองถอยหลบไปทางอื่นเถอะ สะพานเท้าพูดปากสันในกลุ่มพันพื้นเมืองพากันขวัญเสียไปหมดเพราะความวิกลวิการผิดปกตินั้นถ้าถอยก็อดน้ำตายน้ำจะต้องมีอยู่ตรงผาที่เห็นนั่นไม่ใช่รือขยินหัวหน้าคณะพูดหนักแน่นประโยคหลังเขาหันไปถามกระเลียงหลมช้างซึ่นยืนหน้าเขียวอยู่มีน้ำรออยู่ข้างหน้าแน่นอนในายใหญ่แต่เราจะผ่านต้นไม้ผีนี่เข้าไปได้ยังไงมันดักหน้าเราไว้หมดทุกด้าน เชิดาหันไปมองหน้าจอผ่านเหมือนจะหาเรือของการตัดสินใจแล้วพินยำตัวลุกขึ้นยืนช้าๆหยิบขอนไม้ผูกอันขนาดโคนขายาวประมาณ2อฟุตขึ้นมาด้วยท่อนหนึ่งลองทอดเหบี่ยงเข้าไปยังสายหรือรากของต้นไม้ประหลาดที่ห้อยอยู่ทันทีที่ขอนไม้ปลิวเข้าไปกระทบมันถูกตวัดรับไว้วืดเร็วราวกับงวงช้างแล้วม้วนชนิดชักดึงเข้าไปอย่างกิ่งเบื้องบนสูงที่เต็มไปด้วยงวงชนิดเดียวกันแต่อวบใหญ่และสั้นกว่าคอยดักตวัด รับอยู่เพียงชั่วพริบตาเดียวขอนไม้อันนั้นก็ถูกบางมิดหายไปด้วยการรุมรัดพันของถาวัมรมฤตยูและเห็นเป็นก้อนกระจุกหน้าขนลุกลุกขนเฝ้าจับมองอยู่เบ้นหน้าอย่างสยดสยองใจโชคดีเหลือเกินที่พวกเราดิ้นหลุดออกมาจากงวงขนาดย่อมๆที่ทอดยาวลงมาระดินนั่นได้ซะก่อนถ้าถูกดึงตัวป้อนเข้าไปสู่งวงใหญ่ๆข้างบนเห็นจะเสร็จแน่ไม่มีทางดิ้นหลุด เส้นเล็กๆที่ทอดยาวลงมาคงทำหน้าที่ควานหาเหยื่อป้อนขึ้นไปสู่เส้นใหญ่อันมีลักษณะเหมือนปากนั่นเองชัยยันคลางออกมาแล้วเขาก็ประทับจุด600ในโตขึ้นกระดิกไกลลั่น นัดแรกทดลองยิงเข้าไปตรงบริเวณมวนกระจุก ข, ของนวดปลาหมึกที่รูมพันขอนไม้ไว้เป็นก้อนโตทั้งกลุ่มอันแลเหมือนกระเช้านั้นไหวสถานเล็กน้อยขณะที่กระสุนทะลวงผ่านไปด้วยความเร็วสเก็ดชิ้นส่วนบางอันฉีกขาดปิวกระเด็นเป็นฝอยแต่มันไม่ได้ผลอันใดขึ้นมาทั้งสิ้นกระจุกอันหนาแน่นที่รับพันขอนไม้ยังคงรวมกลุ่มของมันอยู่ในลักษณะเดิมไม่มีท่าทีว่าจะมีประสาทรับรู้ต่ออำนาจลุก ป, ปืนหรือคลี่คลายวงรัดออก นัดที่สองจากลำกล้องซ้ายชัยยันยิงเข้าใส่ลำต้นระดับสูงจากพื้นเรา6ฟุตเสียงหัวกระสุนน้ำหนัก9 0้าร้อยกรนแล่นเข้ากระทบเนื้อไม้ดังได้ยินถนัดน้ำตรงบริเวณที่กระสุนพุ่งเข้าเจาะปลิวหัวกระเด็นออกไปพร้อมกับเปลือกหยาบชิ้นโตกว่าฝ่ามือและเห็นกันสีค้าอึดใจต่อมาก็มียางสีแดงข้นเหมือนเลือดสดไหลซึมออกมาเป็นทางจากรอยแผลนั้น แต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นเหมือนยิงเข้าไปในต้นไม้ใหญ่ธรรมดานั่นเองชายันแยกาเกี้ยวคํารามออกมาเบาๆว่าถ้ามันร้องโอ้ยออกมาได้หรือว่าเคลื่อนลําตัววิ่งหนีได้ฉันจะไม่แปลกใจเลยแต่ที่แปลกใจก็คือลักษณะของมันเหมือนต้นไม้ธรรมดาเรานี่เองลําต้นของมันมีลักษณะเป็นต้นไม้ธรรมดาครับเฉพาะงวงหรือรากย้อยเท่านั้นที่มันมีสภาพเหมือนสัตว์มีชีวิต คงจะเป็นแบบเดียวกับต้นไมยราหรือสาหร่ายทะเลบางชนิดพรานใหญ่ตอบด้วยเสียงกระซิบเราจะรู้แน่ได้อย่างไรว่ามันเป็นต้นไม้ที่กินสั์หรือเปล่าหรือเพียงแต่มีเซลล์บังคับให้รับตัวอย่างเดียวเท่านั้นขณะที่ไม่มีอะไรไปกระทบเข้าแบบต้นไมยราดาวรินถามขึ้นอย่างพิศวง ก่อนที่ใครจะเอ่ยตอบข้อสงสัยอย่างไรของหล่อนทันใดนั้นเองท่อนไม้ที่เราพินเบี่ยงทดลองเข้าไปในท่อนนั้นก็ถูกกลุ่มงวงที่รัดพันเป็นกระจุกอยู่เบื้องบนค่อยๆ ค, คลายวงรัดออกปล่อยให้พันหล่นตุบลงมากับพื้นเป็นช่วงเวลาที่มันรัดเอาไว้เพียงไม่เกิน 2-3 ถึงนาทีเท่านั้นทุกคนมองตากันเองอยู่ไปมาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกมาเรียห่อไหล่สยิวกายน้อย มันปล่อยไม้ท่อนนั้นของไพยวันแล้วมันคงเพิ่งสัมผัสได้ว่านั่นเป็นเพียงท่อนไม้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเลือดเนื้อที่จะเป็นอาหารของมันได้ไม่มีปัญหามันต้องกินสัตว์แน่ๆไม่ใช่เซลล์บังคับให้รัดไว้เฉยๆหรอกเราจะพิสูจน์กันดูอีกครั้งทุกคนรวมกลุ่มอยู่ที่นี่ไม่ต้องตามผมเข้ามาช่วยกันยิงตัดสายของมันให้ด้วยผ้าผมพาด ยอมผ่านสั่งวางไรเฟริลช่วยดาบของสั่งปลาขึ้นมาถือกระชับมันไว้ในมือแล้วจะหลุดฝีเท้าอย่างระมัดระวังเดินย่องเข้าไปอย่างสายยางที่ห้อยนั้นอยู่อีกครั้งเช็ดถาคว้าดาบยาวของขยินไว้อีกเล่มสาวเท้าตามเข้ามาปิดติดรัะพินเหลือบมาเห็นก็กระซิบเตือนให้ระวังตัว พักพวกที่ยืนรออยู่เบื้องนอกขยับไรเฟริลเตรียมพร้อมสำหรับวินาทีวิกฤตซึ่งอาจเกิดขึ้นกับบุคคลทั้งสองซึ่งวิธีแก้ไขก็คือใช้ลูก ป, ปืนตัดงวงของมันให้ขาดสะบัน้นอย่างที่เคยใช้ได้ผลกันมาแล้วเมื่อหยกหยกนี้ส่วนพวกพันพื้นเมืองก็ถือมีดอยู่ในมือตามเข้ า, ายืนคอยระวังให้ห่างในระยะพอสมควรพวกนั้นอยากจะตามเข้าไปด้วยแต่เชษฐาสั่งให้หยุดรอเพียงแค่นี้ ทั้งสองเดินย่องอย่างแผ่วเบาตามรอยโปร่งโล่งที่เกิดจากการโรมรันเมื่อคู่นี้ลึกล้ำเข้ามายืนอยู่ตรงหน้าแนวรากไม้มรณะที่ห้อยเป็นม่านกั้นอยู่ห่างประมาณวาเศษจ้องสำรวจเส้นของมันเหล่านั้นอย่างพินิจพิจารณาแล้วเหงื่อตามสายขึ้นไปยัง ลำกิ่งไม้ใหญ่เบื้องบนรากหรือหนวดเหล่านี้ทอดย้อยลงมาจากกิ่งที่ทอดแผ่ออกไปรอบทิศทางมันเป็นต้นไม้ที่ปราศากใบมีแต่กิ่งและรากซึ่งงอกจากกิ่งทิ้งเป็นสายลงมาเท่านั้นบางเส้นยาวแทบจะลดพื้นดินบางเส้นก็อยู่ในระดับสูงๆต่ำต่สลับกันไม่มีระเบียบเส้นเล็กจะยาวกว่าเส้นใหญ่และบริเวณที่ติดใกล้ชิดกับกิ่งเบื้องบนร้วนเป็นรากเส้นอวบใหญ่ทั้งสิ้นยาวเพียงแค่วาสองวาเป็นอันมาก เมื่อมาเห็นในระยะใกล้เช่นนี้เช้ถาก็แยกเกี้ยวออกด้วยความขนลุกขนทองอีกครั้งลักษณะของมันเป็นเส้นกลมมีขนเส้นเล็กๆงอกปกคลุมอยู่ไปทั่วดูไปอีกกีก็คล้ายตัวบุ้งยักษ์แล้วเขาก็กยอบตัวถอยผงาออกมาเล็กน้อยพร้อมกับเหนียวไหลและพินให้ถอยตามออกมาด้วยเมื่อเห็นเส้นที่ห้อยอยู่ตรงหน้าใกล้ที่สุดเริ่มมีอาการเคลื่อนตัวกระดุกกระดิดจากตอนตายของมันเหมือนไส้เดือนเหลือ ง, งูที่แขวนห้อยอยู่ รับเพลินขยับดาบพร้อมค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้อีกทีละน้อยจ้องสังเกตดูมันตามไม่กระพริบทุกระยะปลายงวงที่ชี้ลงดินเป็นเส้นตรงบัดนี้มีอาการยกเงยขึ้นเล็กน้อยสายร่อนร่าไป็แช่มช้าเหมือนงวงช้างสูดกลิ่นแล้วค่อยๆเบนทิศทางมาที่เขากับเชิฐามันสูดกลิ่นเรามันไม่ได้มีประสาทสําหรับในด้านสัมผัสอย่างเดียวเท่านั้นแต่สูดหากลิ่นได้อีกด้วยไม่มีปัญหามันต้องกินสัตว์ได้แน่ๆอดีตท่านทูฐานบกรองออกมาอย่างร้อนรน จอมพานเงยขึ้นไปมองบนยอดตอนปลายของเถาเส้นนั้นอีกครั้งเพื่อหาระยะแน่นอนว่ามันมีระดับความยาวเท่าใดขณะที่มันห้อยอยู่เดี่ยวนี้ปลายยาวทอดต่ำลงมาเลยระดับเข่าของเขาแล้วก็พบว่าระยะความยาวของมันเฉพาะเส้นนั้นมีอยู่เพียงแค่นั้นเองเพราะเห็นส่วนที่ติดอยู่กับกิ่งใหญ่ชัดและระดับการห้อยของมันก็เป็นเส้นตรงไม่มีส่วนเหลืออื่นๆซ่อนอยู่ตรงไหนทั้งสิ้น เขาขยับเข้าไปใกล้อีกเพื่อจะลอดดูปฏิกิริยาเจ้าเถามรณะก็มีอาการโน้มเอียงโยกลำเข้ามาใกล้อย่างแช่มช้าดุดอาการดูดของแม่เหล็ก ถอยห่างออกไปก่อนครับคุณชายรพิงกริซิ์จ้องมันเม็งใช่ถาก็เคลื่อนถอยหลังออกไปสามสี่เก้าทิ้งให้เขายืนอยู่ที่นั่นเพียงโดดเต่นคนเดียวเพื่อการเคลื่อนไหวตัวได้อย่างคล่องแคล่วพอหัวหน้าคณะเคลื่อนหาออกไปพ้นระยะพานใหญ่ก็ค่อยๆยื่นปลายดาบเข้าไปเขียลอกใกล้ๆกับเส้นของมันอย่างดูปฏิกิริยาต่อไป